จะต้องเป็นคนที่นอนหลับสนิทจริงจริงหลับจนกระทั่งสิ่งภายนอกไม่สามารถจะทำให้ประสาตตื่นตัวขึ้นมาได้ในเมื่อยังไม่ถึงเวลาตื่นและในขณะที่หลับไปนั้นจิตก็ต้องสงบจริงจริงคนที่จะนอนหลับได้อย่างนี้หาได้ยากมากนอกจากในจำพวกเด็กเล็กแต่ถึงกระนั้นก็ต้องหมายความว่าพื้นเดิมของเด็กคนนั้นจะต้องเป็นผู้มีจิตสงบด้วยจึงจะมีกายทิพย์ออกมาได้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 ร่างกายของเราในความฝันจะเรียกว่ากายทิพย์ก็ได้แต่เป็นกายทิพย์ที่ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่มีประสาทสมบูรณ์หมายถึงประสาทที่ใช้การได้เหมือนกับประสาทธรรมดากายทิพย์ที่สมบูรณ์จะต้องมีประสาทเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ซึ่งสามารถที่จะเห็นหรือได้ยินอะไรได้คิดอะไรได้เหมือนกับในเวลาตื่นการที่ชีวิตในความฝันไม่สมบูรณ์